เอามันมนบทสววิธีไหนครับร้อยเก้าสิบเลยนะครับ้นขั้หลขอหาทุกขั้นต่โอเมื่อวานเรียนไม่จบเลยปาริสัญญานะครับตอนท้ายสรุปนะอ่านคำอา่านให้จบก่อนนึ่งรับปฏิเก้ากข้างล่างสุดท้ายเลยขั่นตั้งหลายอาบัติที่ชื่อว่าปาริเัญญี่สิสขสบข้ามบทข้าพเจ้าแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านตั้งหลาย ในอาปปาติเทศนญญนี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองและค่าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สาว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาปปาติเทศนญญนี้ดังนั้นจึงนี้ ข้าพเจ้าส่งความพ้องรันไว้ด้วยอาการอย่างนี้พระเทสสิยุทเทศพรเิยุทเทศท่านทั้งหลายสาขาผลที่ชื่อว่าเศรษะทั้งหลายหลานนี้ย่อมถึงซึ่งการส่วนโดยหัวข้อในเศรษฐะนี้ถ้าไม่เอื้อเฟื้อปรบอาบผูุกดไว้ทุกข้อหนึ่ง บังคับชิดพึงทาความขมขื่นใส่ใจว่าใจ นะชื่อว่าเศรษฐียเพราะว่าเป็นข้อที่ควรศึกษามันถือว่าควรปฏิบัติตามนะครับนี่นะ บ, น บ, นบนนางประเภทมันจะทความสำเหนียบมาที่เขแปลว่าศึกษาศิคขากรณียาใช่ไหครับรคือสำเหนียคือใส่จันทร์ครับใส่แต่ว่าจะปฏิบัติตามนะนะครับว่าเราจะนุ่งนุ่งมาก่อนนะครับเราจะนุ่งเป็นปริมณฑลก็นุ่งสมบุใช่ไหมข้างบนต้องปกปิดสะดือนะครับ ปิดสะดือไม่โชว์สะดือออกมานะให้ต้องสมองครับไม่ ช, ม ช, มชนนครับข้างสะดือครับข้างล่างนี่ก็อะไรนะขึงแข้งปกข้างล่างปกปิดขึ้นแข้งนะครับความจริงนับตั้งแต่ใต้เข่าลงมาเนี่ยแปดนิ้วนะครับอันนี้อะไรนะวันเลยทำไปสบายจาได้นะนะครับนี่น ะ, นะ<ม> ต, ตั้งใจงนีงเรียบ้อยนะครับชื่อว่า นั่นเป็นปริมาณโทนคือเรียบร้อยนะครับระเบียนเรียบร้อยอันที่สองเนี่ยเกี่ยวกับารห่มนะคะรับเดิมจะห่มให้เป็นปริมาณโท น, นะครับใครที่เกี่ยวกับการนุ่งด้วยน ะ, ะไม่ใช่แค่นี้นะครับจะบอกว่าต้องเว้นจากการนุ่งที่เป็นเหมือนการนุ่งอย่างคาราว่ า, า, าต่างๆนู่นนะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะอย่างนุ่งอะไรเนี่ย น, นุ่งเนจงกระเบนอย่างนี้นะครับขนาดของเนี้ยก็ต่ออ่าบต น, นะครับนุ่งเป็นอย่างอย่างอะไรนะเหมือน นี่แกเหมือนไอนะครับเป็นอย่างยักนี่เยอะอย่เงี้ยนะก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านจ้าหน้บายไว้เงี้ยนะแล้วก็ที่สองครับเราจะหัวให้เป็นปริมณฑลหัวใหเป็นปริมณฑลเนี่ยข้างล่างสูงกว่าผ้านุ่งสี่นิ้วใช่ไหมครับคือเวลาผมจีวรจีวรเราจะโผล่ใช่ไหมคับเพระเรานับจากตรงตั้งขาลงมาแค่สี่นิ้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาสูงกว่าสมบุกนะครับสี่นิ้วนี่ นะครับนี่นค่ะนคุณเช่นอันนี้ทเท่าไหร่แ่ี้นะไม่ย้อยหน้าย้อยไหล่บริบบบทนนะครับต้องไม่สืบการมอหที่หมุนกับชาวบ้านทุกอย่างนะครับไม่หมุนเหมือนชาวบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นอะไรอ่ะท่านบอกว่าพวกผมหมือนบริพาชงนะผมแค่ขึ้นกายปเปิด ท, ท่องล่างอนี้ครับ <c oughs> โอ้หนาหนักเกินไปผมยังไงไม่รู้ครับ <c oughs> หรือหอมแบบ พี่สุดผู้จัดแถวนะครับพี่สุดผู้จัดแถวผมยังไงก็คือเอาผ้าอา้ขึ้นมานี่นะครับนี่นะว่าว่าผ้ า, าขึ้นมานะครับนี่จัดแถวไม่ได้เป็นตนน้นนะมีหลายแบบแล้วแยกเลยผมก็นึกผ้าไม่องน่งมาอยากแค่ช่อยใหคิดนะครับทำไมผมก็พิจารณาเราไม่ได้เกิดในสมัยนั้นไงเราก็เลยไม่รู้ขนาดผ้าที่บา้านนะ มันก็นุงน่งผ้ามันม่ออกเพราะไม่ใค่พกไม่เคยเห็นนะครับชาวบ้านเมืองไทยไม่นุ่งไม่หอมอย่างงี้แล้วเขาใส่เสื้ออย่างเนียวแล้เวเข้ามาเีผืนผ้าผืนเดียวแล้วก็มานุ่งลักษณะแล้วมาหอมลักษณะตนะ่างๆนะครับก็เลยดูยากนะาการอาวัยการผมนะถ้าบอกว่าต้นสองข้างสมองกั น, นะครับมันจะทำให้ดีต้นสองฟันชิ้นแผมผ ม, ผมตรงเว้ยเนะ่ยกี่ปีแล้วสุด ก, กี่ปีแล้วนะผมดีกี่แบบแล้วได้แล้ว แล้วก็หมม้วนหอมม้วนมันจะยากหน่อยครับม้วนที่เราไปบิหารนะแต่ว่าเขาจะไมุ่มขึ้นเขาจะเปิดไหล่ไหล่กับแล้นมันจะหอมยากใช้เวลานานนะรับแต่ของเราเี็นแป้งเบี้ยวเนี่ยนะนุ่งให้เป็นสตรีมมอนต์มีต้องหลังมเยออ๋อครับก็คือเราเราใส่ใจนะนะครับใสยใจแถึงว่ามันมันจะเบียวนิดเบียยวก็ไม่เป็นไร เราใส่ใจเาใส่ใจทั้งที่บางีล่ะที่ไม่ถือก็เอาไว้แค่มาไหวแต่เรากลาวว่าสตประมาณนี้ใช่ไหมครับถต้องเลยหรือว่าถ้ามันเลื้อยลงมาอะเรก็มาจัดให้นเลื้อยให้มันเรียบร้อยครับทนี้มือต้นมัญัติตอนนี้จะ่ายแล้วนะก็มาแต่พักจะพักคีหมดเลยครับ กับหมดนะที่ไม่ใช่มาเด็กพระจักรีมีแค่งะไรแค่สามข้อเองเลยเลยวิยาตรคเจ็ดสิบห้าข้อนะพระจักรีเป็นคนทํเจ2ดสิบสองข้อครัเข่าเมาคนเดียวนะหรือสามข้อของวิศวะรูปอื่นนะพวกนี้ไม่่คยถึงรวมว่าจ่ใส่ใจไเท่าไหรนะครับไม่รวมกันนะพระงทางดีก็ยังไม่ได้บรรลุนะ เขาจะไปคิดในยิ่งก่อนแต่อีกพวกนึง น, นัพวกที่นั่นอา่านจะบรูปแล้วไม่แนใจมันจะแบบมันสองพวกพวกดี้ดีหน่อยใช่ไหมมีพวกนะ้นข้แบบเป็สาพวกพวกหน้าใช่ใช่พวกผิดทางคุณตาจ่าเขาบอกพวกนั้นจะไม่ยังมีศึกษาเหมือที่ทรมันหยัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะก่อเรื่องใหม่ขึนม า, นมาแต่ที่มันหยัดแล้วก็จะไม่ทาอีกนี่นะพวกนั้นถือว่าเป็นพวกมีสีถ้ามเวมีสีนะครับ มาดูเรื่องต้นบัญยัติของเศรษฐีว่า น, นะครับแปดร้อยแปดสิบเอ็ดครับนี่เศรยฐีกันนะครับสิ่งค้าบุตรที่หนึ่งโดยสมัยนั้นพุทธภาคพุทเจ้าประท้อมอยู่ณตะเคียนตะวันอารางของอาถารพิกาะฆาบบริเณษนครสาบะถีครั้งนั้นก็จะาปักีนุ่งผ้าเลื้อยหน้าบ้างเลื้อยหลังบ้าง ชาวบ้านนะครับเออแม่เรียนร้อยเนี่ยนุ่มมะกก็เลยมาขนาดาหลัชาวบ้านทางอรเพ่งเทติดเตียงบุทนาว่าฉนัยข้าสาณะเสียสาวพระกเกดิบุตรจึงได้นุ่งผ้าเลื้หน้าบ้างเลื้หลังบ้างเหมือนพวกก็เลือดหัดผู้บริพกการเล่าชื่อข้างหลายที่ยินชาวบ้านเหล่านั้นทางกระเพ่งเท่าติดเตียงบูทนาอยู่บวดาที่ยินผู้มั่งน้อยสนโดษก็กระเพ่งเท่าติียงบูทนาว่าฉนัยพระชนกีจึงได้นุ่งผ้าเล้หน้าเล้หลังบ้างเล่า เลื้อยหน้าบ้างเล้ยหลังบ้างเล่าแล้วกาบมุน่นแต่ไม่มาพ้าเจ้าพระองค์ก็ทรงสอบถามทรงถือเทียนเปนสักพีแล้วก็มีสิกามแ น, นี้ขึ้นมานะครับน้องว่านะแง่ดูคำที่บายที่นึงนะครับเขาบอกว่าอันพิสูจนุ่งปิดมณทลสะดือมณทนเขา่าชื่อว่านุ่งเป็นปริมณฑลครับพิสูจน์ใอาศัยความไม่อึดอ้อนุ่งผ้าเลื้อยหน้าหรือเลือยหลังตั้งอาบัตทุกเกะนะครับ ยาาบัณฑนะท่านท่นแจกที่บานไม่แกล้งใช่ไมไม่มีสติไม่รู้ตัวอาผ่าเมียนบราวิกรสิอธิกรรมกรมัม่่าลำบากแลวจบข้อหนึ่งแ้มาดูนะครับในกางขานาที่บายยางนะครับหน้าสองหกสเก้าเนื้การน้องนี้ไม่ยากนะท่านที่บายตุการผมนะโอ้ยผมนั่งคิด มันคิดไม่ ค, ไค่อยออกนะว่าไอ้ผายังไหมแค่ชาวนาผมนึกพิสดารอะไรขนาดนัด้นลอดูะครับพันนาเสกยุทธ์ท่อธิบายหมวดเสกียวสิกขาบทหนึ่งอธิบายปริมนลาลังสิกขาบทนั้นราสิกขาบทในเสกียวัฒพึงสราบาอธิบายในสิกขาบทข้อที่หนึ่งต่อไปคำ ว, ว่าปริมนลาลังแปลว่า เป็นปริมณนทนโดยรอบก็คือเรียบร้อยทุกด้านทั้งข้างหน้าข้างหลังนะั่งรอบเลยคำว่าสิขาจรณียานะครับคพืศึกษาความว่าพิสุควรทําความศึกษาประพฤตินในสิกขาบททุกๆข้อจะเป็นในวัดก็าตามจะเป็นในบ้านก็ตามครับว่าเราจะนุ่งผ้าอย่างนี้ทั้งในวัดในบ้านนะัะแต่ต้องมึงให้เรียบร้อยทั้งหมดนะต้องใส่ใจนะเป็นต้น ก็ในบรรดาสิกขาบทเหล่านี้เพราะเห็นที่วัดาทาั้งหลายซึ่งพระพากเจ้าตัดไว้แล้วในวัดตะขันทากะานะครับชื่อว่าเศรษฐีวัดด้วยนะชื่อว่าเศรษฐวัดนะด้วยจะต้องศึกษาเหมือนกันดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดสิกขาบทว่ามีกี่ข้อเหมือนกับปลายที่สิกขาบทเป็นต้นธรรมดาเศรษีว่ามี75ข้อใช่ไหมครับ mm. แต่พระองค์ก็ม่ไยกเป็นหัวข้อว่าเศรษฐีวัดเจ็ เพราะว่าไม่ใช่แค่เสียทีวัดอย่างเดียวนะครับแม้ในวัดต่างๆนะข้ะกับวัดนะครับอุปชาจวัดอาจะดีจะวัดวัดน้อยวัดใหญ่นะอันนั้นก็ชื่อว่าเสียทวัดเหมือนกันเพราะว่าเป็นวัดหรือเป็นข้อที่ควรศึกษาควรศึกษาคนปฏิบัติเหมือนกันนะครับเพราะนั้นนะท่านกเลยไม่ได้กำหนดว่ามีแค่เจ็ดสิบห้าไงก็มจะมีเยืนกว่านั้นรวมพวกวัดต่างๆเข้าด้วยนะครับมหาวัดเท่าไหร่นะมหาวัดสิบสี่ใช่ไหมครับ สี่สี่สิบสามสิ่สี่นะครับลองน่าไม่ครบสิอาันกาวัฒนะครับอาวาสิกาวัฒใช่ไหมอาเจียยวันอุปุปชายยัวันะครับสัต์ที่วิหาริกาวัฒใช่ัหอันเตราสิกาวัฒนครับอะไรนะไอจำมาเลยภาษาไทยก็ได้ที่คือสุขไทยไม่มีเราเลย ว่าเจดกูดีว่าครับวันที่ไหนครับวัดนองโอมนชันตาคณะวัดท่องน้ำว่ามาแล้วครับตารลวกัรนะครับไหนในที่ไหนครับวัดในลองฉันใช่ไหมไม่ลองฉันพระตะข้าวัดน่ครับการละการนะครับวัดในลองฉันครับอุปจชฌาย์อาจารย์รุสิมหาในว่าหมดแล้วนะครับ วัเจดียยังข้างนาวอันไม่มีครับเป็นวัดพิเศษนะอาวะอะไรของอาครตุกะเขามีกะเขามีคำว่าอ๋อเขามีกะว่าใช่เขามีกะว่าอย่างนั้นว่าครับวัดของพิสุกคุณจะไปที่เมื่อสิบนะครับรือสาข้ออรสีข้อกวัาไปสู่วัดอื่นไงอเไปอันนั้นอาครตุกะว่าหรือครับสี่ข้อดอกก็เลื่อนเลื่อนคมนนึงครับไอนะ ผมจำได้อันหนึ่งครับเราไม่ค่อยคุ้นนะอนุโมทนาวัด น, นะครับวัดเสือาจานอนุโมทนาก็มีหกันนะครับื น, นะสมัคได้ใช่ไหมในสาข้อถ้าเราไม่มีอานนจารย์ไม่ได้บอกว่าแต่เจ้าดูในนี้นะอืมอ้ยอะไรนี้ อ, น <c oughs> อันนี้มีเสยเชียวัด หร้อวก็เขาบอกเหมือนกันต้องปล่อยควเตอร์นะแล้วเนี่เจอแล้วอ๋อนี่นนโอ้โหตกไปนะครับนี่ตกไปเลยสามพ่อหน้าศิครมีเงินมิ้นทอยู่หน้าศิล์นะเอาเอาก็แต่หน้าก้าวก็ได้นะครับดูคอมไปเลยนะ อสองมรรทัาสุดท้ายของหน้าเก้านะครับสอารรทัดสุดท้ายของหน้าเก้าโอคนละเล่องกันนะมาหาวัดเสกีวัดเลยกับ้างมันเป็นเสกีวัดไหมครับอือ่าดูสารบัญก็ได้สารบัญท่าจะบอกไว้ครับถ้าว่าข้อวัดที่ต่างกันในคำประกาศทั้งสิ้นได้แก่คันตกาวัดวัดเก็คือข้อปฏิบัตินะของพิสุขผู้จรมาอาวสิกาวัน วัดปฏิบัติของพิสุผู้อยู่ในอาวะนะครับจะต้องรับเป็นแมเจ้าถิ่นนะครับว่าของพุทธอาจจะถิ่นข้ามีการวาดวัดปฏิบัติของพิสุผู้จะเดินทางนะครับแล้วก็มีว่าเป็นแมเจอนงานธรรมหน้าหมอกคืนจิที่อยู่เป็นต้นนะครับอันมโนธรรมว่าวัดปฏิบัติในการมโนธนะครับว่าต้องทำเลยนะพระจักข้าววัดนะครับว่าปฏิบัติในรงฉันบินดาจารล่าวัดวัดปฏิบัติของพิสุผู้ที่ยวบินดาบนะครับ ก็มีวันนะเอ่าน้ํากาะบาแล้ง่อนเป็นต้นใช่ไครับอารันิสก์ว่าเป็นวัดปฏิบัติความมิสุขที่อยู่ปตาต้องเตียนน้ำฝนน้ําใช้นะนะครับเป็นต้นเสนาสนะวัดว่าปฏิบัติในที่อยู่อาศัยนะครับกุฏิที่อยู่เอาไว้เราหลงหลังไม่ได้เลยนะครับจะปล่อยกุฏิให้นกสับเกาะไม่ได้นะาาใช่ไนะครับถือว่าเข้าวัดในบทพ่องนะเ่คว า, สามสะอาดนะ ค, ะคาาระคะับไม่ได้ ชันการฆราวาสวัดปฏิบัติในเรือนไฟนะครับก็มอนทำยังไยว่าจะกุดีวัดปฏิบัติในวัดจุกดีที่เขียนป้ายติดอะไรเนี่นะครับผมทํำตั้งแต่สอนมในายุ่นแรกนะครับไอตรนที่ว่าป้ายติดบนหน้าเข้าน้ำนะนี่นต้องสอนมินายุ่นแรกเลยบางคนนี้ไม่ยอมแอ่านนะและก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ได้ขณโยมมันเห็นโยมอย่างอ่านนะนครับโยมข้อยจะรู้ว่าอะไรบ้างนี่นะนะครับ ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับว่าปฏิบัติในวัดจุดีอูปชาเนช่ยวัดวัดปฏิบัติในพระอุปชาครับอานเจดีย์ว่าวัดปฏิบัติในข้าวการเนี่ยต้องทํายังไงครับสถิตวิหารนี่กับวัดวัดปฏิบัติในสถิติวิหารนี่หมายความว่าถ้าลูกศิษย์ป่วยนะอุปชาใจก็ต้องดูแลนะครับอันเตวาสิกาวัดวัดปฏิบัติในอันเตวาสิกะนี่ก็เหมือนกันสถิตวิหารนี่ก็เป็นเลูกศิษย์ของอุปชาใช่ไหมครับ ที่บวกอุปชานะอันเดว่ะสีก็ไป็รู้สีของอากา ร, นะรและคํานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเพราะคำว่าศาตร์วัฏในหลักอือ่นมันจะมีวัฏอะไรข้อวัฏของพิสุขผู้อื่นปริว่านะครับข้อว่าของพิสุขผู้ถุกลงกรรมหรือตายนะครงดุจชีญกรรมต้องทาประพฤติวัฏนะครั บ, นะรบนั่นพวกนั้นทั้งหมดเลยนะครับก็จะพัฒนารูปมุมข้อในเศรษฐีวัฏ น, นี้เช่นกันะครับทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไ mm. ม่ได้มีแค่นี้แล้วใช่ไหมครับ อันนี้เขาเรียกวาาเนี่ยมี14และวัดตรงนั้นนะที่ว่าของพิษพุทูปป ร, ริวาสเป็นต้82 82 82นนะครับมี82นะ82บวก14เท่าไหร่ครับ96ใช่นไหม82บวก14นะครับได้96 96บวก75ครับ96 <95 S 1> บวก75นะครับ160 1 6 0 171ถูกไหม ร้อยเจ็ดสิบ็ดนะครับถูกต้องคิดนานแล้วเลยครับหนะะึ่งร้อยเจ็ดสิบเอดครับอันนี้เรื่องเรื่องง่ายนะต้องน่าจได้เรียคนคิตคิดแล้วนะวิธนะีดีถ้าคมีน้ำใจรงใจพ่อคุณภาคต้องใช้ ท, ที่ไหมแต่ออมันจะนักอะไรไม่ถูกเลวนะ <c oughs> อาศัยขึ้นที่แรกนี่แล้วก็มีอพามติดตัวสะดวกนะ วัดิตีนวัดนี้ต้องทตามเประเทศตามที่ท่าเลยครับทีเนี่ยเด็กเพื่เปวอรานก่อนแล้วค่อยเปิดอครับคอรงานก็ไม่ต้องขึ้นเหยเกก็ได้นเด็กไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับไใกล้ๆครับอ๋อไปยืนคอราป็ทัน่ำถ้าเป็นมันจะสะดวกกว่ามีอหานครับถ้าถ้าอย่างนั้นอะไรได้ก็ดีครับเด็อย่างที่อกต้องเลือกเฟือนะถ้าไ่เลือกเฟืองจะมีอาบัตไหครับ แต่าทีถ้าเป็นไอไอที่แบบนั่งมันจะสะดวกไหมครับมันต้องไปยืมขอ้ออย่างี้ยผมต้องด้วยสะดวกนะครับแต่ม่อไรก็เ อ, อ, อื้อเฟือยนะก็คือแบบเข้าไปใกล้ที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นโหยมธรรมนาสม า, าสมมออาทาได้ใช่<ะ>ไครับคอองครับเรั้ไม่ต้องไม่ต้องเราต้องท่ออะไร ม่ใช่อย่างงั้นนะเราถือว่าเราทำขี่นั่นเสร็จไปแล้วแล้วก็ไปนั่งขาได้เล ย, ยนี่นแหละครับความจริงวัดแต่ละอย่างนะครับเป็นวัดที่เรามันเป็นของแต่ละคนแต่ละคนที่เราต้องรู้ว่าต้องพูดนะว่าเป็นพระวัดของใครของคนนั้นนะครับอย่างเช่นอะไรเนี่ยวัดในหอฉันอย่างนะแค่ทํำยังไงถ้าพูดถึงว่าอะไรนะรพระพิสุใช่ไหมครับ ที่บิดาบัิกรรมกรเมื่อก่อนนี้นะคือที่บิดบัดกรรมกรให้เตรียมใช่ไหมเตรียมถาดสำหรข้าอะไรใช่ไหมครับหาดใสอาหารปูราสนาที่น้ำสีน้ diferencia. ใชไ้ไว้นะผู้กรรมกรยังต้องทําใครก็แล้วแต่เถนะมัสยิมานวะกะขอใหกรรมกรต้องไปทำเตรียมน้ำรงเท้าตักงเท้ากับบึ้งเช็ดท้าจนวาเตรียมพวกนี้นะของสมัยก่อนเปบิดาบัดใช่ไหมครับทีนี้นะครับและก็ต้องฉันได้เลยไม่ต้องรอใครนะครับ ให้ก็เลือกอาหารให้พอท่านน่ะแล้วก็ที่เหลือก็วางแม่ถาดใส่อาหารนะครับแล้วก็ฉันได้เลยฉันเสรก็ไปได้เลยไปคืนสอนมาหนาธรรมไปปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เสียเวลาใช่ไหมไม่ <t os> ้อรอใครหรอก็มรอทําไมส่วนพิสูจน์พื้นบินาบกรรมมาทีหลัง น, น่ะถ้าอาหารของลูกที่มารเขาเหลือไว้ใช่ไหมอาหารเราก็สามารถพิจารณาได้ครับพิจารณาแล้วก็ฉันของเราแล้วนฉันเสร็จที่หลังเนี่ย ต้องเก็บที่เหลือนะครับต้องเก็บต้องกวาดต้องอะไรเรียบร้อยนะและทั้ไปนะครับเนี่ยนะเป็นางนี้นะครับอ่านคะนครับเราเสนอเสนอสองนะใครับถ้าบกนัก็อย่าไปจ่าที่ไหนนะรเก็บคืก็ฉั้นออาครับน่าเสนอครับนี่ครับ ใช่เขาบางทีถ้าเขาไม่กลับมาเพราะมันจะมีหอฉันกลางบ้านนี่เองครับสมัยเกาะแล้วมีเย่างนี้หรือบางทีก็ที่ส ป, ปายก ห, หนึ่งใช่ไหมมีน้าอยู่ใกล้ๆเขาบอกกองน้าไปเกาะ น, น้าอะไรอนี้ใช่ไหมครับก็ฉันได้อืมครับแต่ทีก่กลับมาในวันกลุ่มกันเนี่ยต้องทำ อ, อืมครับนั่นแหละไม่ใช่ว่าเงี่ยนะนะครับตัวตอนนั้นอะไรนะใครไม่ได้กวางเนี่ยนะมันเป็นอาบัติอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ มันจะไม่ว่าใครที่จะกว่างมาก่อนมาหลังใช่ไหมครับก็จะพูดเถึงนะครับไม่ต้องเก้เลยภาษาศิษย์ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นะถ้าตามนี้ก็คือเป็นลักษณะนี้ครับใครกำมาขวางแล้วก็ไปที่ดลังนะเทียนขาวเทียนขาเสียในใสเออถ้าเรียบร้อยนะแต่ทีนี้มันเปนปัญหาผมอยู่ไงผมก็เลยต้องรับหน้าที่ไปผมอยู่นะครับแต่ว่าของเราไม่ทําทำกันอย่างนั้นใช่ไหมเรามาสารวมกัน เรไปเรากลับมานะอ่าอะไรตอนครับและเพื่อจะแสดงวินัคือข้อประพฤติทางมารยาทที่ดีงาม น, นะครับคุณว่าผ้าเจ้าจึงไม่ตัดโดยยกเป็นชื่ออาบัตอย่างนี้ว่าก็อพิสูจนใดนุ่งผ้าห้อ ย, ย้อยพิสูจน์นั้นตั้งบัตทุกดนะครับพองไม่ได้ตย่างนเนี้ยนะเพื่อจะแสดงวินัยคนอครอบประพฤติทางมารยาทที่ดีงาม น, นะครับพรองค์ก็ไม่ได้ยกเป็นอาบัตขึ้นอย่างนี้นะ แต่จากภาพบาลีในทุกๆสิกขาบทอย่างนี้ว่าสิกขาจะได้มีอย่างนะครับ mm hmm. ควรศึกษาใช่ไหม mm hmm. ควรใส่ใจที่จะปฏิบัติตามนะครับ mm hmm. ท่านอไาย mm hmm. นะครับ mm hmm. แต่ภาพบาลีในทุกๆสิกขาบทนี้นะแต่ในการจําแนกสิกขาบททุกๆข้อนะครับเมื่อพิสุไม่ทําการใส่ใจคุณเห็นว่าเป็นำแนบที่กฎนะครับเพราะไม่ใส่ใจปฏิบัติตามนั้นไม่ได้นะครับ เพราะตั้นไว้อย่างนี้ว่าอาปฏิทุกตัสสาก็ต้องอาบาทุกกฎนะครับทุกข้อนะเศเลี้ยนะเศษสิบห้านะครับต้องบาทุกกฎในวัดต่างๆก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ทาตามไม่เอื้อเฟื้อนะไม่สใส่ใจปฏิบัติตามก็เป็นอาบาทุกกฎครับเพราะฉะนั้นผนมนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หอชั้นเดียวที่จะต้องกวาดใช่ไหมในห้องน้ํามันคุณเข้าไปในห้องน้ําสุขขกภั หน้าห้องน้ํำรกนะครับน้ําเฉิบแฉะใครไปทํารกไว้ไม่รู้ไม่ยอมไปเรียบร้อยแต่ล้างหน้าก็ใช่ไหมหรือว่าเสนาสนาติที่อยู่ที่เราอยู่นะครับนี้เราก็ต้องรับผิดชอบดูแลนะครับอยู่ที่เราไปใช้สอยนะถ้าทํำเราก็ทํานะครับือนผมว่าเป็นของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบต้องรู้กันต่อไปนะครับบางนี้ในคําว่าปริมาณพลังมีการวินิจฉัยต่อไปนี้น ผ้าที่พิสุนุ่มปิดบริเวณสะดือนะครับปล่อยผ้าให้ห้อยลงภายใต้มนุงนเขา่าตั้งแต่กระดูกแข้งลงไปแปดนิ้วนะครับเ<ม>ชื่อว่านุ่มผ้าเรียบร้อยนะครับว่าอะไปแล้วนะพิสุวนนะครับล้วห้างลงไปแปดนิ้วปิดแล้วครับเบี้ยวอะไร น, นะ จะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับทรงติดเรียบร้อครับเมื่อพิสูจไม่นุ่งอย่างนั้นนะครับนุ่งห้อยย้อยไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเพราะไม่ใส่ใจต้องอาบัตทุกฎนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่พิสูจน์ผู้นุ่งอย่างนี้เท่านั้นต้องอาบัตทุกฎถึงพิสูจ์ที่นุ่งผ้าอย่างที่เมื่อผ้าเจ้าหลังถึงโทษแห่งการนุ่งผ้าไวในสัญาติกาว่าก็ในสมัยนั้นแหละนะครับ พวกพิสูจน์เฉคีนุ่งผ้าอย่างคลุ่หัดต่อไปนะครับ อ, อต่อไปกลับมาดูก็ในสมานนันแลนะครับ อ, อพวกชพวกพิสูจน์เฉคีนุ่งผ้าอย่างคลุ่หัดนุ่งผ้าเหมืองอย่างงูช้างแต่ถ้าจะที่บานแต่ละอย่างนะ้อย่างหางปลานะครับออนุ่งผ้าวัดเป็นสีม่มุมนุ่งอย่างก้านตาลนุ่ง ม, มีกีบหลายร้อย นุ่มอย่างนักมวยต้้มตั้มแบตทุกเกเหมือนกันนะครับในบรรดาการนุ่งเหล่านั้นชื่อว่าการนุ่งงวงช้างคือนุ่งผ้าย้อยจะสะดือนะส้นทรงเหมือนงวงช้างเมื่อที่ช้อนนุ่ง น, นแต่ช้านก็เก็บงวงใช่ไหม <c oughs> อันนี้ไม่ได้เก็บงวงก็ให้ ง, งวงห้อยย้อยอยอกมาเลยใครใครเห็นไหมส ม, มองพรานนะ่ะ เขาจะหอมจีบสะบองกีนแบบแบบที่ม้วนอ๋อไม่ได้าพไม่เปอะไรเนาะเห็นกันได้ใช่ไหมอ๋อตั้งแต่งวงเช้กับวช้าชอบนุ่มแบบนั้นอ๋อน่งครับเป็นสไต์ของกัวงชาอืมครับแต่คูมมูกันคือนุ่มม้วนอย่างนั้นชครับพี่แอนเีว่าาเห็นลวงตาอยู่รวงตาไม่เคยอยู่ค่ป็ีเงาคก็เป็รูปเงาละคับ ทานทานเป็นโคงเลย้วก่เหียดไหลเท่อืันันั้นี่เวลาเห็นั่นอ่ะแอนแักมาอยู่ข้างนอกอ่ันเกลียดมากมวนยาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โยาลงไปนะลงไปได้นันเอาเอกโคดมาตัดมาทวงเนี้ยแล้ก็เกลี่ยลงไปที่มากมไปองในรงด้น่เกียดั ท่านดูใ้ดีนะครับ น, น, นี่นะครับชื่อว่านุ่งงวงช้างนะครับปล่อยงวงไว้นะแล้วก็เหมือนกับที่หญิงชาววางนุ่งกันฉะนั้นนะครับอ๋อแต่ว่าหญิงหญิงชาววางสมัยก่อนนุ่งอย่างนี้นะชื่อว่านุ่งอย่างหางปลาก็คือนุ่งให้ห้อยปลาไว้ข้างหนึ่งชาไว้อีกข้างหนึ่งนะครับชื่ยว่านุ่งอย่างผ้าขาวม้านะคือมันจะห้อยหนูมาลักษณะนี้นะครับมันจะไม่เรียบเหมกับระบองกรางนี้ที่มาแก้ พะมุ่งจะเข้าไหลงมาครับหางสั้นหางยาวเขาแลกแส่นะชอบนะครับแบบผ้าของมันน่นไม่ได้เลนะแม้นุ่งผ้าน้าฝนนะครับก็ต้องนุ่นเป็นปลิบมลทนกันเช่เวลาเราไปอบยางนี่นะต้องมนมลทนก็คงเพิ่งมาที่เตือนไงเวลาต้องมลทผมนึกว่าแต่เฉพาะเราผม ธรรมดาธรรมดาขอารนับด้วยธรรมดาไงที่มันต้องมแต่ที่ต้บอกที่ได้เต้นอยู่พิีนองคแบบล่อยเนื้อยตัวใหมใหม่อืมทางทางก็ดีนะครับมีคนคอยบอกต่อไปนะครับอันนี้แหะนุ่งหางตาได้แล้วชื่อว่านุ่งเป็นสี่มุมคือนุ่งปล่อยชายไว้เป็นสี่คือข้างบนสอง ข้างล่างสองนะครับนั้นราะว่าอย่างเนี้ยนะไอตัวตรงนี้นะครับเอาออกมาไมา่ได้แยกเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันยอดออกมาอย่างนี้นะคมันก็จะได้สองแล้วก็ตัวนี้อีกสองข้างก็จะเป็นสี่นะครับคือเอาตรงนี้ออกมาไมา่ได้พับเข้าไปน ะ, นะครับมันจะเก็บเข้าไปข้างในแต่อออกมาห้อยมาอย่างนี้เลยนะครับอื่นะครับไี่มา ข้างบนสองข้างล่างสองนะครับอันนี้บางท่านก็ตีใจแต่ก็คิดความนี้ประมาณนี้ทางรที่เดียรมานะเหมนืนสองชื่อว่านุ่งดังก้านตาคือนุ่งห้อยลงไปโดยท่าทางก้านตาครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเรานึนผ้าก้านตาแล้วกันกจะบอกว่านุ่งให้ห้อยลงมาง่ายๆเหมือนก้านตาเ ม, มื่อในทีเหมือนหางปลาและเมือนก้านตานะครับเน้นผ้ามา มันคงจะย่อยลักษณะหนึ่งนะที่มันดูเหมือนกับว่าก้างตานะครับเป็นง่ายก้างตา ม, มันก็ออกมาใช่ไหมมันเป็นก้างยาวมาม ไ, ม, ม, ไม่ใช่ใช่เหมือนพันนะครับใช่ใช่ใอนี้ก้างนั่นไม่ใช่ตัวตัวใบใบน่าจะก้างที่ยื่นนะครับไม่บอกเหมือนเหมือนว่าเหมือนใบาตามไม่ใช่ ออมีอันนั้อันนี้อันหนึ่งค่อันอันหนึ่งนะชั่วนุ่มเป็นกิบตั้งร้อยอันหนึ่งนะครับนี่นี่ทขามุกกล้าตาเนะโอ้กล้าตานั่นจะดีเลยไงกิบกิบก <na>. e ิบเลยนะออกมาเป็นนองบไม่เป็นไรเราไม่นุ่งอย่างน้อยู่แล้ว ครับครับแลอวแตชื่อว่านุ่งเป็นกีบตั้งน้อยนะครับ mm hmm. คือนุ่งผ้าผืนยาวม้วนเป็นชั้นและนุ่งเป็นจงกระเบงก็ดีนะครับเคยแม่ผู้ออกนิเกละครเขาเป็นชั้นชั้นชั้ใช่ไหม mm hmm. เขานุ่งเป็นจงกระเบง น, นะครับแต่ว่าเขาจะ๋า ช, mm hmm. ชั้นเป็นชั้นจนชั้นตรงเนี้นะสองชังงน้นใช่ไหมครับ mm hmm. หรือว่าหนังอะไรที่เราเคยดูนะ เด็กไทยนะสมัยก่อนใช่ไหมครับจะนุ่มเป็นอย่างงั้นแหละเป็นชั้นๆ น, น้คอับ mm hmm. แล้วก็นุ่มยกกลี่เป็นรอนรอนทั้งซ้ายทั้งขวาก็ดีนะครับแต่ถ้าปรากรดเป็นกลีบเดียวหรือสองกลีบตั้งแต่ข่าขึ้นไปควรอยู่นะครับ mm hmm. อย่างที่เรานุ่มนะคราบว่าเรียกว่าเป็นรอนนะครับอันนี้ไม่ได้ม้วนเนี่ยเป็นรอนของเราเีมัแค่อันนี้ไม่เอาร้อนไม่ออกนะ หนึ่งท mm ี hmm. a a a ่ไม่ค uh, so you know, ่าแค่สองลอนหนึ่งลอนสองอนใชครับแต่นี่เ้าไม่เป็นไรหนึ่ลอนสองลอนไม่เปนไรแต่นี่เขาเป็นหลายลอนนะครับหนึ่งหนึ่งนะเป็นหลายชั้นหลายชั้นหนชั้นหลายชั้นข้นครับเนี่ยไม่ได้คือยาวมากอ่าทองสายขีดยานะเป็นยังไงคือหาม่หลายอช่ผมกระดงที่สกกรีดเดียวหรือสองกรีดเป็นกรีดหนอนแล้วแต่มีกีดๆเขก็มกี่ครับ เดียวเราเหนออกมาส่เด <vagy? S 2> <Ö h? S 1> ียวครับของผมรอนเดียวแต่ว่าไม่ใหญ่ก็ยังมากแค่สองที่ี่อย่างมามันมวงรอที่เขาไม่จะไล่ใช่ได้ใช้ไมอ๋อมันแมันมีหลขนไหลข้านที่มันอยู่ข้างในไม่เป็นไรแตที่มายื่นออกมาที่เราเห็นไงอย่างมากออกมาแค่สองนะครับเราไม่เกินนันเลที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาแค่นั้นแหละที่เราเห็นนหะแตที่อยู่ข้างในมันภาพท่าไม่เกี่ยวนะครับ ไันต้องยวมาต้อ huh. ห uh ่ดะอนน้เป็นันนะามันยามันจะับ้เอของเรอก็รวมแบบที่พันเตตันไอ้พันเตที่คนตันไงมันยาจากของกรลกจริงผมไม่ค่อยมั่นใจขงเรื่อไม่ลุกเลยภาพเด็ดไว้นะขอคอยดาวมานผมพับเป็นลายตุลก็ยังไม่หมดนี่นะก็เลยบอกว่าแต่ถ้าตากดเป็นกี่เดียหรือสองกี ของเราแค่สองกีบไม่แม่เนี่ยตั้งแต่เข่าขึ้นไปควรอยู่นะครับชื่อว่านุ่งหยากรังคือนุ่งอยากรังเหมือนกับนักมวยและกรมะกรเป็นต้นคือการนุ่งจงกําเบนนี่เองครับโอ้นี่พวกเนยชอบนุ่งกันใช่ไหมถ้าอยู่การวัดบ้านธรรมดาอะไรเนี่ยนะวเวลาทํางานเวลาเตะบอลหรือทำาะไรเนี่ยนุ่งจงกําเบนกันไม่ได้นะครับไม่ได้นะือการนุ่งอย่างนี้ย่อมไม่ควรแม้แก้พิสุข้ ป่วยก็ไม่ได้นะครับอ mm hmm. ืแม้แต่พิสูจนผู้เดินทางเดินทางก็ไม่ได้โอ๊ยเดินทางไม่ถนัดเอาจงกําแบนไปเลยได้เดินได้สะดวก mm hmm. ไม่ได้ได mm hmm. นะครับ mm hmm. พวกพิสูจกําลังเดินทางยกมงข้างหนึ่งหรือสองข้างขึ้นเนนไว้นะครับบนสมงนะครับหรือนุพพ่งผ้าผืนหนึ่งไว้ข้างในแบบนั้นและนุ่งผืนหนึ่งไว้ข้างนอกทั้งหมดไม่สมควรนะครับ mm hmm. เวลาขานุ่งจงกําเบนเนี่ยเขาจะเอา ทั้สองข้างทั้งหมดเลยใช่ไหมยัดเข้าไปข้างในใช่ไหมครับแล้วก็มาสอนกันน้างหลังนะ น, นี่นะครับถ้าว่าถึงจะยกแค่อันเดียก็ดีนะนะครับมุมอันเดียวกับสองมุมก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ะครับมันเหนห่งไปหรือว่านุ่จมจงกระแบนข้างในผืนหนึ่งแล้วก็นุ่มปริมณฑลข้าง น, นอกผืนหนึ่งนี้ก็ไม่ได้สําหรับวิสุทธิผู้เดินทางไม่ได้นะครับแต่สําหรับวิสุทธิผู้เป็นข้ายังได้จงกระแบนข้างในนะชั้นหนึ่งแล้วข้างนอกเป็นปริมณฑลนะครับสําหรับผูุ้ทธิเป็นข้ายาได้ เป็นไที่ต้องนุ่งอย่างนั้นนะนะครับเนี่ยถ้าบอกว่าพิสูพ้เป็นไข้จะนุ่งจงกระเบนไว้ข้างในและนุ่งผืนหนึ่งไว้ข้างนอกก็ได้นะครับเป็นไรน่ะแค่ไปใส่เลื่อนเนาะมันต้องรักเน่นๆหน่อยอะไรนุ่งจงกระเบนไว้ข้างในเออโอ้โมาถ้าเราไส่เลือดเรใส่แดงในนะครับการข้างในก็ไม่ผิดยังไม่ผิดนะครับนี่เพิ่งจะรู้ว่าสัมมนาคราวก่อนนะอาจารย์ก็บอกว่า มัก็ไม่ ไ, ไม่ถืว่าผิดนะครับครับแต่ถ้าอันนั้นอันนั้นมันอาภาษแล้วใช่ไหครับมันเข้าใจาก็ได้นะครับแล้วธรรมดาก็ไม่ไม่ใช่ะนะครับต่อไปครับพิสูจไม่เอานะพิสูจผู้ไม่เป็นไข้เมื่อจะนุ่มสองผืนต้องทําเป็นสองชั้นก่อนนะครับก็มาทบกันเลยนะสองชั้นแล้วจึงนุ่งได้ด้วยเหตุจังกล่ แล้ น, นุ่งเป็นปนิมพ์นทนก็คงจะร้อนนะแต่ว่าถ้าอยู่เขตหนาวไมมีปัญหาใช่ไหมครับนุ่งสองชั้นเลยพิสูจนต้องเป็นการนุ่งที่ไม่สมควรตามที่พระพ้างเจ้าทรงห้ามไวแล้วในคันติกาและการนุ่งห้อยย้อยต่างๆนะครับไม่ได้เท่านั้นนะครับถึงนุ่งให้เรียบร้อยทุกด้านสมมูรลักษณะที่กล่ามาแล้วเมื่อพิสูจไม่นุ่งอย่างนั้นนุ่งแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งต้องบัตรทุกข์นะครับจะแปลกปลกที่ว่าเมื่อกี้นะ หรือนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นปริมณฑลอ่ะไม่นั่งทั้งนั้นนะครับตั้งใจจะดุ้งให้มันเป็นปริมณฑนอย่างนั้น่ะก็ต้องมาทุกบนะครับส่วนการวิใช้ในคําว่าเหตุเกิดและคุยกสู่ผู้เป็นต้นเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นต้นมีดังต่อไปนี้สรุสุรุสิกขาบทนะครับสิกขาบทอะไรสุดน้ําแกงใช่ไหมฉันดังดังสุดๆนะครับถ้าเปทนี้แกงนี้ไม่ได้นะครับ <laughs> แต่น้ำแกงมันจะมีเสียงด้วยนะนะครับน้ำซุปน้ำอะไกรก็แล้วแต่นะน้ำแกงไม่ได้นะครับนะบรรยายนำแรกในเมืองโกสัมพีนะครับอันนี้นะที่ไม่ใช่ประชากรขี่นะครับมีแตเรื่องนี้แหละแกในเมืองโกสัมพีแล้วก็นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการจับบาไม่ใช่บานะเปลียนเป็นแก้วน้ํานะครับจับแก้วน้ํานะครับด้วยมือที่เปื้อ น, นอาหารนะครับนี้นะสองเรื่องนี้ เรื่องแรกคืการจับบาตจะจับแก้วน้ําด้วยมือที่เปื้อนอาหารและการล้างบาตที่มีมเมล็ดข้าวเทไว้ในบริเวณบ้านนะครับทรงพระรดพิุหลายรูปในคล้พระค่ะนะครับมายความว่าแก้วน้ํานี่นะครับถ้ามือเราเปืนนเเ้อนนาเวลาใชม้มือเปื้อนอาหารใช่ไหมมือเปื้อนจะไปจับแก้วน้ําไม่ได้นะครับเราต้องใช้มือส่วนหนึ่งที่ไม่เปื้อนนะจับนะครับแม้ได้แก้วน้ํานั้นเป็นของเราเนี่ยก็ไม่ได้นะ พ่อมันก็ยูสะกโปเพื ua, ่อนใช่ไหครับนอกจากว่าเราทาใจว่าดีแล้วก็จะร้างแก๊นะหนูนี้องเับหรือว่าใช้เือน้างให้อันนั้นก็ได้อยู่ในอนาคตนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการจัดแก๊ร้างเหมือนกับเรามีงานพัเทรางา่งเงี้ยวมทั้พระที่สุขนั้นนี่เดูเรื่องการจัดแก๊งที่เพราะว่าจัใจนะใช้หน้าดอย่างเงี้ยจัดก็มันจะโดที่ปางใช่ไหมครับแล้วมันจะมีรอยยู ถ้าส่วนของโรงแรมนะจาะเขาใช้ใค่สั่งนิดเดียวม่ชาจัที่โกนจำอีกตัวละครไม่ดีนะให้จัดค่นนะครับแล้วก็เขาจะเพ่งเพราะว่าบางคนเขาจัดระเกียร์ระเกียร์มากส่วนบาฟทางเนี่ยไม่ค่อยมีเดินกันจัดแต่งนะผมเห็นนะคือทุกร้านนะรับจริงนะครับจับใช้ทางเลยเลการเตืนที่เี่ินไม่ถูกครับต้อใช้ไค้สั่งน้มาคีับใช้แค่สั่นี้เีวใส่วนโรงแรมอะไรครับ ใจภาษาเรกที่ก้นนะคะจับในรูป่เวลาจับแก้วน้ำไปเสิร์ฟน้ำให้พระถีร่าใช่ไหมน้ำปลาหน้าน้ำป่าหน้าไหยพระถีร่าเขาจะไม่จับตรง่าแก้วต้องจับเ้างหน้าคุณครับกางไปเต็มที่เลยอารการนี้ไม่ถูกครับผมเคยไปอบรมเกี่ยวกับเรงแรเกี่ยวกับการงาน ข้าวซอตั้งแต่เป็นเนนะอาจารย์เขาบอกวั้งแเป็นเนยใ้จับวิธีการให้เราทำโดยตรงครับครับครับว่าลูกก็ไม่ังเกียก็ไม่เป็นไรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะก่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮาป่าฮ่นฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้าฮ่า่านเาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า็่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าม่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ ก็เปอนแบบไปจริงในข้อนั้นไม่น่ทาทําไงให้โยมไปล้างให้หน่อย <c oughs> โยมก็จะเทก็แล้วแต่เทใส่กระถ o ได้ไมเป็นไรนะครับอันนี้หรือว่าขยาับให้มันเละอะไรนแะเล่มก็เป็นน้ํากันเลยเนะี่ยไม่ได้นะครับอ น, นี้ครับเนี่ยเฉพาะสามข้อนี้นะไอข้อสู้น้ําแกงนะเกิดในเมืนโกสซงทีข้อมือเพื่อนจับแก้วน้ําแล้วก็เทแม่ขัน้นและแม่บ้านนะครับอันนี้ก็อยู่ใน ในแคว้ฟ้านครับเป็นพิสุรูปอื่นนะ <c oughs> <c oughs> สิกขาบทที่เหลือทั้งหมดนะครับที่เหลือนะจากฐานข้อเนี้่ทองปรราลก็พิสุจบัคีในเมืองสามัีบัญญัติไปแล้วต้องเหตุคือการนุ่งผ้าห้ อ, อยย้อนเป็นต้นศูนย์โกศลวินยักษสิกขาบทว่าด้วยการขอแกงและข้าสุขของคนผู้ไม่ใช่ยาไม่ใช่โปนาใช่ไหมไม่ได้เป็นไข่นะขอแกงและข้าสู่คนไม่ใช่ยามไม่ใช่โปนาครับ เป็นยานเสกี ย, ยวะเนี่ยนะไปทงกคนนะครับและธรรมเทศนาสิกขาบท น, นะครับสิกขาบทที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมนะตั้งแต่อะไรถือมีโร่อยู่ในมือใช่ไหมครับอาจจะไม่แสดงธรรมแกคนผู้มีร่มอยู่ในมือนะที่ไม่เป็นไข้อย่างนี้นะเกี่ยวกับการแสดงธรรมทั้งหมดนะครับเป็นต้นมีอนุบรรญัติอย่างเดียวคือการเป็นไข้นะครับ การเป็นไข้หมายหมายหมายว่าพิสูจน์ว่าเป็นไข่นะหมายว่าคนเราแสดงคาให้เข้าฟังเขาเป็นไข้ครับอย่างใช่เข้านอนอยู่เขานอนป่วยใช่ไหมเรานั่งแสดงําให้เข้าฟังได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ป่วยนะเขานั่งบนเตียงสบายเลยเรานอนบนเตียงนะไม่กวาดแต่นไม่เวียนหัวมันสบายกว่าดเป็นานอนแต่เานั่งก็อี๋ใหญ่งแสดงําไม่ได้ครับนั่นแสดก็มุ่งหมายอที่เป็นถ้า ที่ปราอบอะไรนะก็มุ่งมมาที่เป็นภาษาบาลีนะครับนะครับต่อไปสิขาบททั้งหมดในเสกียวัณนะครับเป็นสาธณาณบัรยัติพิสุนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะยัางอยากเราไปช่องพิสุนี้จะ ง, ง่ายมากนะนะครับในเสกียวัณก็เหมือนกับของพิสุนะนะครับเแต่ที่ว่าจะก็บางตัวที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลิง น, นะครับอนะครับอนั้นติการไม่เกี่ยวกับารใช้ต้องทําเองทั้งหมดถึงต้องอบัตนะครับ ทุกกรณีต้อบาด ท, ทุกกฎเหมือ น, น, นกันไม่มีความต่างกันแห่งอาบัตอื่นนะครับมันก็เป็นตัวเด็กทุกกฎถ้าไม่มีอาบัตอื่นนะการวิจารณถึงความวิบัติข้าพเจา้าได้กล่าวไปแล้วทุกข้อก็เป็นอาจากรยิบัตินะครับความพื้นม่เรียบร้อยขอนพืเสียหายนะครับสมุทฐานเป็นต้นจะได้แสดงในเวลาที่สิกขาบทั้งหมดจบลงสิกขาบทจะพูดสุดท้ายเลยนะครับเมื่อ จบทั้งหมดแล้วนะหรือว่าสุดขานทีหลังนะครั บ, บเฉพาะอนาบัต น, นะครับและองค์เท่านั้นที่จะต้องพูดถึงในแต่ละสิดขาบท น, นะครับท่านก็จะพูดอย่างนี้นะอนาบัตแล้วก็องค์สําหรับสุดขาบทที่กําลังจะกล่าวถึงไม่เป็นอาบัตแกวิสุขผู้ไม่แกล้งนะครับคือไม่จงใจเพราะไม่แกล้งไม่จงใจนะครับไม่จงใจครับไม่มีสตินะครับเฮอสตินะเดี๋ยวท่านจะอธิบายเราไม่รู้นะครับ เป็นไข้ครับป่วยนะไม่สามารถจะนุ่มหงอยอย่างนี้นได้มีอันตรายและที่สุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัต น, นะครับอธิบายอาณาบัตในัประดัอาณาบัตหมาความว่าไม่แกล้คือไม่จงใจอย่างนี้ว่าเราจะนุ่งไม่ให้เรียบร้อยนะครับเราไม่ตั้งใจอย่างเนี้นะตั้งใจที่นุ่งให้เรียบร้อยนะครับแต่เไปเามามันย้อยไปทค่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่โดนนะครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแกศวิสุผู้ตั้งใจจะนุ่งให้เรียบร้อยนะครับแต่เวลานุ่งพลานไปเป็นนุ่งไม่เรียบร้อยนะคไม่เป็นอาบัติแล้วก็นุ่งใหม่เพียแค่นั้นเองนะครับคําว่าไม่มีสตินะครับคือมัวแต่คิดไปเรื่องอื่นนะมัวแต่คิดไปเรื่องอื่นหมายว่าส่งใจไปในอารมณ์อื่นใช่ไหมเผลอไปนะครับเลยนุ่งผลาอย่างนั้นคือนุ่งไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัติแล้วก็มาแก้ใหม่นะครับ ชื่อว่าไม่รู้นะครับคือไม่เป็นอาบัญแก่พิสูจผู้ไม่รู้ว่าจะนู่งให้เรียบร้อยนะครับแม้ว่าเรียนแล้วนะศึกษาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเอ๊นู่นเรียบร้อยมันเป็นยังไงนะหมอหน้ากลางบอกว่าอย่างนี้นี่ยเอ๊ต้อไม่เข้าใจนะครับหมายถึงว่าเรียนแล้วนะแต่ว่าจะมาอ้างแลยว่าผมไม่รู้นะครับและก็ไม่ยอมศึกษานะครับไม่ยอมเรียนและแกก็ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆแกได้อนาบัญเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับ มันก็ใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วนะแต่มันก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่นี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถามให้ดีก็แล้วกันนะอนะี่ยหรือว่าลืมนะหรือว่างงก็ดีนะครับเนี่ยอม่เป็นยังไงกันแน่นะครับก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะนุ่งให้เรียบร้อยเนี่ยว่าเขานุ่งกันอย่างไรนะครับแต่พิสูจ ต, ต้องเรียนถึงธรรมเนียมการนุ่งผ้า ถ้ามายอมเรียนจะอ้างเลข น, นี่นะก็ไปอาบัตอยู่ดีนะครับก็ถือว่าไม่เ อ, อื้อึ้ยนะครับเพราะมียอมศึกษานะส่วนที่สุดใดมีแข้งรีนะครับแ<ๆ>ข้งรีเล็กนะอา่าเป็นลรคเลไรหรือว่าไม่สมบูรณ์นี่นะครับหรือมีเนื้อลาแข่งใหญ่นะครับเป็นลำเลยนะนัะกศึก <c oughs> <c oughs> ครับที่สูงนี้จะนุ่งให้ย้อยลงไปเกินแปดนิ้วเพื่อให้เหมาะสมควรอยู่นะครับ ให้มันปิดอันนั้นซะหน่อยปิดปรีแข้งซะหน่อยใช่ไหมครับได้เหมือนกันนะครับพิเศษนะให้มันดูหมอนูปัวซะหน่อยนะครับอนี่โอ้ไมนถึงใหญ่ไอธรรมดาไดม่ถึงใหญ่นะครับแต่ว่ามีเพื่อนอยู่คนห น, บบนึ่งแกบุญภาคันนี้แกเสร็จไปแล้วนะขาแกนะครับขาแกก้องใช้รีดนะไม่ใช่ว่ารีดอย่างเดียวนะครับไอุอ่มขาแกไม่มีเป็นตั้งแต่เกิดนะครับ อแม่จะอาตรงพื้นขานะฝ่าเท้าเองมันครับมันมีไม่เต็มครับไม่เป็นโอนครับมีแค่คขึ้นเดียวอย่างนี้นะครไม่ใช่ครับเป็นได้แต่เกิดครับอ๋อแบบขาเหมือนกับขึ้นเดียวอะไรเงี้ยครับคเหลือเหลือขึ้นเดียวครับไม่มีนิ้วครับไม่มีนิ้วครับมันมีแค่ขึ่งเดียวครับแค่ครึ่งเดียวครับไม่หกเนี่ยมันมันขาอย่างเงี้ยปยครับครับก็เลยเป็นเพราะว่าได้ขาวตอนเป็นเด็กแม่คพยายามจะ ทำแท้งลูกแต่ว่าไม่แท้งนะครับไม่รู้ว่าไปบีไปโดนอะไรที่ขาเลยบอกว่าหายไปนะครับก็เป็นอย่างงั้นและแ ก, กก็มาบวชนะครับแล้วบวชที่หลังแ ก, กก็มาใส่ขาเทียมนะแ ก, กก็เลยนุ่งให้มันปิดอันนั้นหน่อยนะครับเอาปิดขาเทียมนะว่แต่นุ่งถึงข้อเท้าเลยครับอันนั้นยิง่งหรือไม่ดีเลยนะครับนั่นนี่นะครับพ่อขาเทียมมันเป็นยังไงนะขาเทียมนะ อ่าครับไม่ใช่หาเพียรน้ำมันใส่อะไรนะรองเท้าผ้าใบ <c oughs> แล้วก็ใส่ถุงเท้าด้วยนะครับยา่ก็เลยพยายามจะปิดตรงนั้นนะครับอันนี้ต่อไปนะครับคำ <c oughs> ว่าเป็นไข้นะครับคือพิสูนที่มีแผลตรงแข้งหรือที่เท้านะพิสูนนั้นจะนุ่งให้เกิดขึ้นมาหรือนุ่งย้นลงไปก็ควร น, นะครับ บางทีน่วยเกิขึ้นมาเพราะว่านะครับมาคะอไปโจนแผลเจ็บอย่างเงี้ยนะก็ได้นะคะรับหรือให้เกินลงไปแล้วก็จะได้ปิดแผลนะครับไม่มีอะไรมาตอนมีผนเข้านี่ได้นะใ น, นสถานอาภัณา์นี้นะครับก็ได้คำว่ามีอันตรายนะครับมีอันตรายก็คือมีสัตว์ร้ายหรือโจรไล่ติดตามมานะครับรีบไปเลยนะไม่ต้องหวนเพราะรีบหมนเลยไม่เป็นไรทุนรีบไปเลยนะครับหาทางหนียตัวรอดก่อนนะ ท้องตรายอย่างนี้จึงเป็นอาบัติแกวิสุขผู้นุ่งผ้าไม่เรียบร้อนะครับแล้วก็วิสุบ้าเป็นต้นอันนี้แน่นอนครับได้่พายไหมนะครัะรมีสินค้าบนหนึ่งนะครับมันจะไม่มีวิสุขบ้าที่วิ่งตายมีอหรือสบองวิ่ง <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะไม่นึ ง, งนี้สบงทางบคื ว, ว่าไม่เรียร้อนนะขอให้มันนุ่งได้อยู่ตัวนั้นนะเออทางคลองลินไง มันจะเป็นผ้าขาวม้ า, มาผ้าอะไรก็แล้วแต่นะนี่ครับนี่ก็เลยต่างกล้องห่าปลาอาไปต่อไปนะครับสินค้าผลนี้มีองคศาคือหนึ่งพิสูจนไม่ใส่ใจก็ไม่สัจจริงๆนุ่งให้เรียบร้อยนะครับสองไม่มีเหตุแห่งการไม่ต้องอาบัตรไม่มีในอนาบัต น, นะครับ ที่ว่าไม่จงใจไม่มีสติอะไรนะ 3, ไม่มีอนาบัตนะครับอันนั้นหรงอไม่มีอันตรายสามนุ่งไม่เรียบร้อยคงสามเขาต้องบัตทุกขกฎในข้อนี้เลยนะครับสิคาบทต่อจากนี้ไปก็เหมือนกันคือสององแรกนะเหมือนกับในสิคาบทนี้นะครับจะเหมือนทุกข้อเลยองค์ที่หนึ่งคือพิสูจไม่ใส่ใจนะครับไม่ใส่ใจจะทําตามแต่ละข้อแต่ละข้อนะซึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่ใสจจะนุ่มให้เรียบร้อยไม่ใสจะหมให้เรียบร้อย ไม่ใส่ใจที่จะทําอย่างนี้นะแล้วแต่ละข้อนะครับอันนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่ต้องอาบัตจิตเพราะว่าไม่มีอนามบัตนะครับตอนนั้นหน้าเหมือนกันทุกข้อเลยนะนะครับอและองค์ที่ต่างกันอันได้อันอันจะได้การต่อบปัญหาสีขาวนั้นๆก็คือองค์ที่สามที่แตกต่างคือข้อพูดการสีขาวนั้นๆเองนะครับต้องทำลงไปใช่ไหมสรุปแล้วองค์ก็จะมีสามหมือเหมือนกันทุกข้อนะครับองสาม ไม่น่ามีที่มากเลยนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะไม่ขอกล่าวถึงองค์เหล่านั้นนะครับจะกล่าวเฉพาะอาณาบัตอย่างเดียวแหละนะครับเจ้าอินทร์ครับ